อกสูตรหนึ่งนะพูดถึงติดสะสูตรในพร ะ, ะพระเทระรูปนี้เป็นลูกของอเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าเลยนะพระติดสะเนี่ยท่านพระติดสะซึ่งเป็นโอรสของพระปิตุปิตุชาของพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกแก่ภิกษุหลายรูปอย่างนี้ว่าดูก่อนนะุโสทั้งหลายกายของข้าพเจ้าดุจภาระอันหนักโดยแท้ นะนะร่างกายนี้มันดูอืดอาดหนักไปหมดทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าแม้ธรรมะทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้านะปริยัติปฏิบัติอะไรไม่เจริญสักอย่างทีนะมิท่าครอบงําจิตของข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์และความสงสัยในธรรมะทั้งหลายย่อมมีแก่ข้าพเจ้าคือสงสัยว่าเอ๊ะเรานี่มันจะบวชได้รอดตลอดรอดฟังหรือเปล่านี้เนาะมันก็เริ่มคิดละนะสรุปว่าเขาเรียกว่า ประกาศความท้อถอยให้ปรากฏว่างั้นนะประกาศความเป็นผู้อ่อนกําลังให้ปรากฏครั้งนั้นแลพิกษุหลายรูปพาคันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลเนี่ยนะเล่าให้ฟังทั้งหมดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสุรูปหนึ่งแล้วมารับสั่งว่าดูก่อนพิสุเธอจงไปเรียกติดสะพิสุตามคําของเราว่าท่านติดสระภษาสดารับสั่งให้หาท่านเนี่ยนะ แล้วก็ไปกราบทูลใช่ไหมคือเขามีเรื่องอะไรก็จะไปเล่าถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถ้าเรื่องนั้นพระองค์ต้องชําระโดยตรงพระองค์ก็จะเรียกให้ให้ไปตามมาแล้วผมก็ชําระภิกษุนั้นก็รับคําแล้วก็ไปบอกท่านพระติสะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วก็กราบบังคมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ถามพระติสะก็กราบทูลว่าจริงอย่างที่เล่าทุกประการเหมือนนจริงว่าไงคืนหนึ่ง เนี่ยเป็นเหมือนกับภาระคือแปลว่ามันหนักจริงๆเลยนะมันอุดอัดไปหมดทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเนี่ยนะซึ่งอัตกถาอธิบายว่าแม้ทิศทั้งหลายไม่ปรากฏคือไม่แจ่มแจ้งแก่ผมอย่างนี้ว่านี้ทิศตะวันออกนี้ทิศใต้นะเหนือใต้ตะวันออกตกไม่ค่อยสนใจแลวธรรมมาปินังธรมมาปิมังนะปฏิพันติเนี่ยนะนะความว่า ท่านพติสากล่าวว่าแม้ปริยัติธรรมทั้งหลายก็ไม่กรปรากฏแก่ผมสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วสาธยายได้แล้วก็ไม่ปรากฏคือลืมหมดเลยอ่านะเรียนคัมภีร์ไหนมาก็ลืมสติปัฏฐานก็ลืมอะไรมาก็จําไม่ได้เลยอ่านะวิจิกิจฉาความว่าไม่ใช่ความสงสัยที่ที่เป็นอกุศลอ่านะนะไม่ได้เป็นวิจิกิจฉาแปดประการที่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือเปล่าพระธรรมนําออกจากทุกจริงไหม อันนั้นเป็นวิจิกิจฉาแท้ๆนะแต่ตรงนี้วิจิกิจฉาแบบปฏิรูประกะคือวิจิกิจฉาเทียมว่าท่านมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเนี่ยจะสามารถบําเพ็ญสมณธรรมได้หรือไม่นาะหรือจะทําได้เพียงแต่ครองบาทและจีวรเท่านั้นนะตัวไตสิกขาจริงๆจะบําเพ็ญได้หรือหรือว่าจะได้แค่อันนี้สงคือโกนผมแล้วก็นุ่งห่มผ้ากาสาวะบินทบาทไปวันๆหนึ่งจะได้แค่ไหนกันเนี่ยนะก็อันนี้เรียกว่าสงสัยของท่าน พระผู้มีพระภาคก็ถามถามแบบตรงประเด็นเลยว่าเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงโสกะปริเทวทุกโทมนัตและอุปายาทย่อมบังเกิดแก่ บ, บุคคลผู้ไม่ปราศจากความกําหนัดความพอใจความรักใคร่ความกระหายความเร่าร้อนความทะเยอทะยานในรูปเพราะความที่รูปนั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปใช่ไหมอัน น, นัคือใช่หรือเปล่าว่างั้นเถอะสรุปถามว่า ถ้ารูปที่เธอเข้าไปพอใจเนี่ยนะถ้ารูปนั้นแปลไปเนี่ยจะก่อให้เกิดโสกกระปริเทวะทุกขโทโมนัตและอุปาญาตใช่ไหมก็บอกว่าใช่พระเจ้าค่ะเนี่ยนะถ้าเป็นที่อื่นนะองค์บอกว่าพระองค์บอกว่าเราไม่เล็งเห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งนะที่แปลไปแล้วอ่ะจะไม่ก่อให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตสาหรับบุคคลเข้าไปติดข้องเนี่ยนะเข้าไปกําหนัดนะ เหมือนก็ว่าถ้าเข้าไปพอใจในรูปแล้วถ้ารูปนั้นเป็นอื่นไปเนี่ยนะที่จะไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ไม่มีหรอกนะในอัตถกถาท่านสูตรนี่นะอยู่ในสุญญตาสูตรก็ยกเรื่องอาจารย์สันชัยมาเล่าว่าอาจารย์สันชัยเนี่ยภาษารีบุตรกับสาลูกศิษย์ออกไปเนี่ยอะไรเกิดขึ้นบอกว่ากระอักเลือดเลยนะแล้วถ้าเป็นคนอื่นๆนะที่พ่อแม่ตายเนี่ยเป็นยังไงก็เสียใจใช่ไหม คนที่พลัดพรากจากอะไรที่ตัวเองชอบอ่ะก็เสียใจหมดเลยเพราะฉะนั้นรูปทั้งหลายที่เข้าไปผูกพันเนี่ยนะรูปเหล่านั้นเนี่ยก่อให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตได้หมดเลยเพระพรท อ, องค์ก็ที่ถามปฏิสัทพิะฏิสัทก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพระ อ, องค์ก็บอกว่าสาธุสาธุาธติสัอย่างนั้น ผมก่อนอนุมโมทนาด้วยนะแสดงว่าเธอเข้าใจถูกแล้ว น, นะถ้ารูปนั้นนะแปลไปแล้วก่อให้เกิดความเสียใจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกันก็ข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนั้นสำหรับบุคคลผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดในรูปเนี่ยนะก็ผูกพันในรูปนะที่จะไม่ทุกข์พ่อรูปไม่มีรอกเนี่ยนะก็เหมือนกับคนมีรถนะนะเสร็จแล้ว ก็จะยึดติดกับรถอ่ะนะผูกพันกับรถมากทีนี้ถ้ารถนะใครเดินไปเฉียวเียวหน่อยก็ชักกระแวงอ่ะนะก็จะได้ความโทมานั์เนี่ยจากรถไม่ใช่น้อยอนะก็อย่างอื่นก็เหมือนกันนะดูก่อนติดสะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนัยโสกะปริเทวะทุกขโทมานั์และอุปายาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ปราศจากความกำหนัด ปราศจากความพอใจปราศความรักใคร่ความกระหายความเร่าร้อนความทะเยอทะยานในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเพราะวิญญาณ น, นั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปใช่ไหมแบบใช่พระเจ้าค่ะดีละดีล ะ, ละติสะข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนี้สําหรับบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกําหนัดในวิญญาณนะ ก็คือสรุปคนที่ยังมีความกำหนัดผูกพันยึดมั่นรักใคร่ในอุปาทานขันห้าเนี่ยนะถ้าขันห้าเหล่านั้นแปรไปทุกโทมนัสก็เกิดเป็นแน่เนี่ยนะดูกติสะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนะไหน โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาทย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจความรักใคร่ความกระหายความเร่าร้อนความทะเยอทะยานในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะความที่วิญญาณแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยใช่ไหมบอกไม่ใช่หมายว่าคนที่ตัดชั้นทราคาในขันห้าได้แล้วนะถ้าขันห้าแปรไปเนี่ยนะจะจะเสียใจไหมก็บอกก็ไม่เสียใจเนี่ยนะ ดีละติสสะเหมงั้นข้อนี้ย่อมเป็นอย่างนี้สำหรับบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดในวิญญาณดูก่อนติสสะนนะก็จะเชื่อมเนื้อหาที่เป็นวิปัสสนาต่อไปคือต้องอว่าโดยสรุปรวมๆก่อนผู้ที่ผูกพันในขันหจะก่อให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตผู้ที่ปราศจากความรักความผูกพันในขันหก็จะไม่ก่อให้เกิดโสกะปริเทวทุกขโทมนัตและ อุปายะไอ้ขันที่ว่านี้ขันของคนอื่นหรือขันของเราที่เราคล่องมากก็คงจะเป็นภายในมั่งเนาะก็ที่เราห่วงมากก็เป็นขันภายในอยู่แล้วนะเพราะว่าหาขันภายนอกก็เพื่อที่จะคิดว่าจะทําให้ขันภายในนี่มันมันสบายหรือมันมีความสุขเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้ติดติดคล่องเนี่ยก็ติดคล้องขันภายในเมื่อติดคล่องถ้าขันภายในเหล่านี้น่าจะแตกคำลายอะไรจะเกิดขึ้น บอกใครจะบอกว่าพรุ่งนี้นะเป็นเวลาเท่านั้นนะคุณจะปฏิสนธิในภพใหม่ดีใจไหมยิ้มเลยนะห่วงหน้าดูเลยนะขนาดคนป่วยกระเรากระเราเต็มทีแล้วนะถ้าใครจะไปบอกว่าคุณจะตายแล้วนะเนี่ยก็ไม่ใช่ไปจะชอบนะถึงจะเจ็บขาดแขนขาดขาขาดก็บอกว่าโดยที่สุดแม่สัตว์นรกยังรักชีวิตเลยอย่างั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าขันห้านี่ยึดติดจริงๆนะสัตว์นี่ยึดติดยึดคล้องมาก พองก็เพื่อที่จะละพองก็แนะนําคําสอนที่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในขันห้าคือให้รู้จักขันห้าตามตามเป็นจริงนะนะซึ่งความจริงของขันห้าเป็นยังไงนะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนะไอสิ่งที่เราเข้าไปผูกพันเนี่ยจริงๆริงว่ามันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยควรไหมไม่ควรอย่างนะคือจริงๆนะที่เราทุกข์ในขันห้าที่บอกว่ายึดขันห้านี่ยึดว่ายังไงยึดอยู่สี่ประการเนี่ยนะแต่ว่ารวมๆแล้วย่อมมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งยึดว่าเที่ยงคือมันน่าจะแน่นอนอ่ะนะก็เหมือนกับที่ว่าใครที่มีลูก อายุสิบหกสิบเจ็ดหรือสิบแปดยี่สิบปีแล้วตายนะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันรีดตายไปนะมันน่าจะอยู่อีกหน่อยนะถ้าเป็นพระสูตรพระ อ, องค์บอกว่าถึงจะอยู่ต่ออีกไม่เกินร้อยปีมันก็จะตายอยู่ดีเนี่ยนะตายวันนี้ก็ตายอีกร้อยปีข้างหน้ามันก็ตายอยู่ดีนั่นแหละไม่ได้ตายอะไรต่าง ก, ากันหรอกนะเพราะฉะนั้นขันห้าเราเนี่ยที่เที่ยงไม่มีแต่เรานี่ไปคิดว่ามันน่าจะเที่ยงไหมนะเข้าไปผูกพันว่ามันน่าจะเที่ยงจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ ก่อให้เกิดความทุกข์เนี่ยนะมันจะมีบ้างก็คือสุขเวทนาแต่ตัวมันเองเนี่ยก่อให้เกิดความทุกข์เราก็ไปผูกพันว่าน่าจะมีความสุขในสิ่งนั้นสิ่งนั้นจริงๆอะ่ะเป็นอัตตาไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของอัตตาด้วยนะไม่ใช่บริขารของอัตตามันก็เป็นขันธ์ห้าที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนั่นแหละมันจึงไม่ใช่ใครจริงไม่ใช่ของใครเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะไป ยึดติดติดข้องเพลิดเพลินในขันห้าอันนั้นก็บอกโอ้เป็นอย่างนั้นจริงๆงเมืนทีนี้แต่ถ้าใครซ้อมไอความคิดอันนี้จนเป็นอัธยาศัยแบบพระพุทธเจ้ากันนะก็อย่าลืมนะทำให้มันเป็นกําลังของตัวเองเลยนะท่าอรหันต์เนี่ยมีกําลังคือสิ่งนี้นะกําลังของท่านคือเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะสังขารทุกชนิดโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้เป็นกําลังอันหนึ่งของท่านกําลังของที่สอง เห็นว่าถ้าไปยึดติดขันหน้าไอตัวนั้นแหละมันคือลุมฐานเพลิงชัดๆเหมือนกันอา้าวมันหลุมฐานเพลิงยังไงเพราะเริ่มร้อนตั้งแต่คิดแล้วใช่ไหมไอไอความความที่เข้าไปเพลิดเพลินในขันหน้านะร้อนตั้งแต่คิดแล้วเนี่ยก็ลองลอ ง, ลองนึกดูนะว่าคิดสแสวงหาวัตถุใดที่ไม่ร้อนอนะ่ะมีบ้างไหมมีมันก่อให้เกิดความเร่าร้อนตั้งแต่คิดถึงวัตถุนั้นอย่างน้อยร้อนด้วยอํานาจของราคะก่อนแนะ่ชัด แล้วก็หลังจากนั้นอีกก็ร้อนร้อนอย่างอื่นอีกเนี่ยนะติดตามมาอีกบานะ์ในร้อนทั้งโลกนี้ด้วยร้อนทั้งโลกหน้าด้วยนะแล้วก็ห่างพะนิ้ผานไปไกลมากขึ้นมากขึ้นยิ่งไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กำลังอย่างที่สองของท่านแล้วท่านน้อมจิตไปหาความสงบวิเวกสงบวิเวกนี่เราคิดถึงที่ไหนคุณนาวิเวกมากดีสอดผูกการไม่ใช่ผูกการทนัดสวนเลยนะคิดถึงสวนเลยนะมีแต่ต้นกล้วยแล้ววิเวก ไม่ไม่วิเวกนะถ้ายังมีต้นกล้วยอยู่อ่ะก็ยังเป็นรู ป, ปรขันวิเวกจริงๆอยู่ตรงไหนเนาะอ๋อกายวิเวกจิตวิเวกพอไหมพอไหมแค่นี้ถ้ายังกายยวิเวกก็ยังมีตัวกายอี ก, ก น, นะถ้าจิตแต่วิเวกเออก็ยังมีจิตอีกอ่ะมันยังไงมันจะวิเวกมันพ้นจากกายจากจิตให้มันหมดเลยนะมันหมดทุกอย่างเลยอ่ะ เนี่ยนะแปลว่าน้อมไปในธรรมะที่สิ้นอุปธิเนี่ยนะเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่สางแห่งความเมาเนี่ยนะเป็นที่ไม่ถือมั่นเป็นที่สงบประงับจากสังขารทั้งมวลอ่ะแล้วก็น้อมจิตเพื่อหลีกออกจากสังขารเพื่อหาธรรมะที่ม่ใช่สังขารที่เรียกว่าวิสังขารเนี่ยนะวิสังคารคตังอ่าวิสังคารคตังจิตตังตันห้านางขยมจัคาตีเนี่ยนะเราบอกว่าจิตของเราถึงแล้วซึ่งวิสังขารอย่างนั้นเถอะ วิสังขาร น, นั้นก็คือนิพพานเนี่ยนะที่พ่ อ, องอุทานแรกตรัสรู้ใช่ไหมอเนกชาติทสร้างสารังสันทาวิสังวณิพสังเนี่ยตอนท้ายก็บอกว่าสังขารคตังจิตตังตันหานังขยมัชฌาเนี่ยนะก็คือจิตเนี่ยน้อมไปในธรรมะที่สิ้นไปแห่งสังขารเนี่ยนะจิตของเราเนี่ยถึงแล้วซึ่งความไม่ไม่ผูกพันไม่ถือมั่นตันหานังขยมัชฌาก็คือสิ้นแล้วซึ่งตันหาหมายถึงจิตนั้นเป็นจิตที่เป็น อรหัตผลเนี่ยนะแล้ว ก, ก็เป็นจิตที่น้อมไปเพื่อความพ้นจากขันท่าเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าเราก็บอกว่าเอะก็ยังยังไม่อยากรีบพ้นจากขันท่ามันก็ยังใช้ได้อยู่อนะก็ก็ยังดีอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องเป็นไรเดี๋ยวขันท่ามันจะปั่นถ้าจนเนี่ยนะถ้าเราอยู่อย่างนี้นะดูมันจะไม่เหมือนไม่มีอะไรนะมันยังดีเหรือเกินอย่างเง้นเมื่อคืนกลับไปไปอ่านเรื่องนิระยะกะถา น, นี่ระยกกระคาถาแปลเป็นไทยว่าเรื่องว่าด้วยนรกเหมือนกันนรกใหญ่ๆมีอยู่แปดขุมเหมือนนอันนะอันนี้พูดในจักรวาลเดียวนะในจักรวาลในบรรดาจักรวาลไม่มีที่สุดเนี่ยนะอันนี้ยกมานรกในจักรวาลเดียวก่อนพอเป็นตัวอย่างเหมือนกันเถอะมีอยู่ขุมใหญ่ๆอยู่แปดขุมเหมือนน่สรรชีวานรกเป็นต้นอเวจีนรกเป็นที่สุดนะพอไปอ่านแล้วก็บอกว่า ลองให้จานนินิดคำนวณดูว่าจะได้นรกสักกี่ขุมในหนึ่งจักรวาล น, นะเขาบอกว่านรกปกติเนีเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้มีอย่างนี้อยู่แปดแล้วแต่ละสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเป็นสี่ทิศนั่นนะนี่ในสี่ทิศมันจะมีนรกล้อมรอบอีกนั่นนะ อันนะล้อมรอบอย่างนี้อยู่สี่ชั้นอันนี้เเรียกว่าบริวาร น, นนะสมมติว่าอันนี้สันชีวานรกนะสันชีวะก็คือสันชีดแปล ว, ว่าพอตายปับ๊บอ่พอสมมติว่าเนื้อเลือดเอ็นกระดูกมันแห้งไปหมดแล้วลมมันหนึ่งพัดมาทำให้ฟื้นใหม่อันนะั้นก็คือคือสรวจว่าเคยเห็นแบบ สมัยโบราณที่เขาเคี่ยนให้สลบแล้วก็เอาน้ำไปราดใช่ไหมฟื้นมาจะได้เคี่ยนต่อเนี่ยนะไม่ได้ฟื้นเอามารักษานะก็ลักษณะนี้แล้วก็มีบริวารอีกสี่สี่ขุมนะหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็คืออันนี้บริวารเฉยๆนะถือว่าคนละคนละขุมคนละขุมกันอย่างนี้แล้วยังมีขยายตัวย่อยๆไปอีกเนี่ยอยู่สิบชั้นอ่ะนะเาว่าผ่านจากนี้มานี่นะผ่านจากไปเรื่อยๆอย่างนี้ ไปประมาณสิบชั้นแล้วยังมีพิเศษอีกประมาณสี่สี่ขุมนะในทิศเดียวนะนับหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ในทิศเดียวนี่มีอยู่ประมาณสิบสี่ขุมเนี่ยนะถอยหลังแล้วมีอย่างเงี้ยทุกสี่ทิศนะในหนึ่งขุมแล้วเปลี่ยนขุมที่สองที่สามที่สี่เนี่ยนะก็ลักษณะเดียวกันแล้วก็นรกเหล่านี้นะก็พอหลุดมาอย่างเงี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็มาขุมต่อไปอีก แล้วก็มาในวงจรอันเดียวกันอีกแล้วก็มาขมที่สามเป็นต้นหรือบางทีเนี่ยอาจจะตกขมที่แปดเลยนะแล้วก็ค่อยถอยมาหาที่หนึ่งอย่างไงหรืออาจจะวนไปวนมาอยู่อย่างนี้อายุเขาก็เป็นโน่นแหะเป็นกลับนั่นแหละแั้วก็ตามสมควรกับเหตุอยู่อย่างนี้นึกว่าขันห้ามันยังไม่มีพิษนะเลาดูเหอะอากุสมที่ขันห้ามันเคยทำเอาไว้นะมันพ้นพิษเมื่อไหรแล้วที่จริงนั้นในนรกมันก็คือขันห้าอีกนั่นแหละ แต่ขันห้าแบบนี้หยาบมากนะที่หยาบรองลงมา ก, กว่านรกดีกว่านรกก็คือเดราชาฉาหนไนะเดรฉ า, านก็เห็นเห็นก็มาร้องเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละพอบอกว่าเปรตก็ดีกว่าเดราชาณหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยก็พอโนมโมทนาส่วนบุญได้นะถ้าเกิดยุคนี้นะถ้าเกิดยุคที่เขาทําบุญกันอ่ะนะแต่ถ้าเกิดผิดยุคเขา้ายุคสงครามเนี่ยนะที่เขาไม่มีการอุทิศส่วนบุญได้เป็นเปรตก็เจ๊งเหมือนกัน เอาเป็นมนุษย์ดีมากไหมก็ดีมากแล้วทำกรรมได้ทุกอย่างนี่ก็เลือกเอาแล้วกันเ่าจะไปไหนกันนึแต่จริงๆทั้งหมดนั้นก็คือขันห้านะถ้าใครที่ยังไม่เห็นโทษของขันห้าก็ขันห้าเหล่านี้แหละมันจะปั่นซะจนเนี่ยนะในทุกแง่ทุกมุมอ่ะนะท่า <c oughs> นผู้ที่ได้ยินได้ฟังอ่ะนะใน หนังสือไตรโลกวินิจฉัยนี่นะท่านประมวลเรื่องนี้ให้เห็นเป็นสัจจะท่านยกเทวทูตสูตรขึ้นมานะท่านก็บอกว่านั่นแหละคือชาติพิทุกขาเป็นต้นนะนั่นแหละคือทุกขาริยศัตร์ต้นเหตุของการปฏิสนธิณที่นั้นทั้งหมดหรือที่มาเกิดทุกทั้งหลายที่รู้จักทั้งหมดเกิดจากอะไรเกิดจากฉันทราคะในขันห้าเนี่ยนะทั้งหมดเลยนะเกิดจากฉันทราคาในขันห้า เพราะในฉันทราค่าในขันท่าเนี่ยที่ถ้าอทหารท่านบอกว่าเหมือนกับหลุนฐานเพลิงชัดๆนี่จึงจึงไม่ผิดใช่ไหมของเราก็บอกว่าโอ้โหนี่มันสวรรค์ชัดๆเลยนะถ้าถ้าโลภะเกิดเนี่ยไม่ใช่เลยนั่นแหละต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นะพระพระโยคาวจรสมัยก่อนเนี้ยที่ที่ยังไม่ได้บรรลุนี่ยนะฮะแล้ว มีจํานวนไม่น้อยที่ท่านมีมีฤทธิ์มีอภิญญานี่นะท่านก็สามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ใช่ไหมคนดัง น, นั้นท่านจะไม่เห็นโทษของขันธ์ท่าท่านเห็นโทษของขันธ์ท่าชัดเจนมา ก, เ, มากเลยแล้วก็กรรมสกตาท่านก็ดีอยู่แล้วนี<ม>่นะก็รู้ว่าเจตนาทั้งหลายมันมีผลไปยังไงคือคนที่ที่ทําปริญญามากๆนะอย่างหนึ่งเขาจะทําปริญญาเรื่องกายวาจาและใจผู้ที่ทําปริญญาในกายวาใจาเสร็จบริบูรณ์เรียกว่า มุนีเนี่ยนะเรียกมุนีก็คือมนะีโมเนยธรรมทางกายวาจาและใจเนี่ยนะเขาจะใคร่ครวนหมดเลยว่าวจีเนี่ยคำพูดที่เปล่งออกมาเกิดจากเจตนาเท่าไหร่และเจตนาเหล่านี้มันทําให้ผิดอะไรบ้างทําให้ถูกอะไรแล้วจะมีวิบากต่อไปยังไงแล้วเอาพวกนี้มาทํายาตะปริญญาเป็นยังไงเกิดจากปัจจัยยังไงแล้ววิบากของไ อ, ไ อ, ไอวิวจีเป็นต้นเหล่านี้จะเป็นไปต่อไปยังไงแล้วมันจะให้ปฏิสนธิเป็นอะไรบ้างเนี่ยนะ แล้วจะไข้ค ร, ครวญถึงความไม่เที่ยงเป็นต้นของสิ่งเหล่านี้จนตัดฉันนราคาในส่วนเหล่านี้ได้ทั้งหมดนั่นแหละก็ต้องวิจัยทั้งอย่างละเอียดนี่ยนะนะเพราะอย่าลืมว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่กลัวทุกในพบนี้เนี่ยนะเนะพราะอะไรเพราะว่าพบนี้เป็นสุขติพบอยู่แล้วเนี่ยนะนะเป็นสุขติพบอยู่แล้วแต่ท่านที่ท่านรังเกียจคือการเกิดในพบใหม่เนี่ยนะนะ หรือตั้งความปรารถนาสาธุขอให้เกิดเป็นอว่าไปนะเอาอะไรดีก็อใจสาธุให้เป็นอะไรนี้มัมีขันห้ากับสาธุเอาขันห่าอีกกันนะก็เบื่อแล้วชาติที่แปดแงั้นให้มันเหลือสักเจ็ดก็พอนะก็ลดๆดแต่ก็ขันห้าอีกอยู่ดีนั่นแหละ นี่เรียกว่าที่ที่กล่าวว่าโอ้โหเห็นโทษเห็นภัยขันท่าเนี่ยอันนี้ด้วยอนุภาพของคําสอนนะแต่พออกีกถ้าไม่ได้พูดเรื่องคสอนนะั้นเราโอ้โหเรื่องใหญ่มากแนละเรื่องขันท่าเนี่ยนะสึกชิงขันท่าจะเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนที่ฟังธรรมนะโอ้ขันท่ามีโทษจริงๆเหมือนนเนี่ยนะตอนเลิกฟังธรรมเนะี่ยเดี๋ยวเอาขันท่าเนี่ยนะลองรถสตาร์ทไม่ติดนะจะผูกพันเนะทุกเรื่องขันท่าอีกแล้ว แั้วผู้ที่ศึกษาไค้ครวนพิจารณาโดยรอบคอบก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในขันท่าทั้งหมดก็ผู้นั้นก็จะเรียกว่าเป็นพระอรหันไปดูก่อนติดสะเปรียบเหมือนมีบุรุษสองคนคนหนึ่งไม่ฉลาดในหนทางคนหนึ่งฉลาดในหนทางบุรุษคนที่ไม่ฉลาดในหนทางนั้นจึงถามทางบุรุษผู้ฉลาดในหนทาง บุรุษผู้ฉลาดในหนทางนั้นพึงบอกอย่างนี้ว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านจงไปตามทางนี้แหละสักครู่หนึ่งแล้วจักพบทางสองแพร่งในทางสองแพร่งนั้นท่านจงละทางซ้ายเสียถือเอาทางขวาไปตามทางนั้นสักครู่หนึ่งแล้วจักพบปราวป่าอันทึบท่านจงไปตามทางนั้นสักพักหนึ่งแล้วจักพบที่ลุ่มใหญ่มีเปือกตมท่านจงไปไปตามทางนั้นสักครู่หนึ่งแล้วจักพบหนองบึง ท่านจงไปตามทางนั้นสักครู่แล้วจะพบภูมิภาพอันร่มรื่นดูก่อนติสสะเราก็ทำความอุปปมาณนี่แลเพื่อให้เข้าใจเนื้อความในข้อนี้มีอธิบายอย่างนี้ว่าคำว่าบุรุษผู้ไม่ฉลาดในหนทางนี่แลเป็นชื่อแห่งปุตุชนเปุตุชนคือคนที่ไม่ฉลาดในทางถ้าใช้คาว่าทางนี่มีทางไปไหนบ้างคระกลับบ้านทุกวันนี่คิดถึงทางไปไหนทางไปบ้านอย่างเดียว ทางเนี่ยนะทางทางที่เราไปบ้านเรียกว่าทางเท้าว่างั้นเถอะแบบแบบโบราณหน่อยนะทางรถทางเรือทางเกวียนเนี่ยเรียกว่าทางเท้าแล้วยังมีทางอีกทางหนึ่งนะที่เราไปด้วยกันขนานกันคือทางมีทางนิระยะอย่างหนึ่งทางเตรฉานะอย่างหนึ่งทางเปตะเนี่ยนะอย่างหนึ่งสรุปก็คือทางนรกก็มีทางเปตก็มีทางอสุรกะเดรชานก็มีทางมนุษย์ก็มีทางเทวดาก็มี แล้วก็ทางแห่งพระนิพพานก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นทางทั้งหมดนะบหปุถุชนนี่ไม่ฉลาดในทางอื่นๆรู้แต่ทางไปบ้านขนานั้นบางครั้งเมาก็ยังขับรถผิดทางอยก่นะคำว่าบุรุษผู้ฉลาดในหนทางนี่แหละเป็นชื่อของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ารู้ทางหมดเลย น, นะนะไม่ว่าจะทางไปไหนก็ช่างทางไปนโกเปรตสุรกายศเดรชนมนุษย์เทวดาพรหมโดยที่สุดแม้ทางเพื่อความดับทุกข์คืออารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดระองค์ฉลาดหมดคําว่าทางสองแพร่งนี่แลเป็นชื่อแห่งวิจิกิจฉาเธอผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยนะพอเจริญไปอีกภักหนึ่งเอ้ชักสงสยัยเลยนะอีกคนหนึ่งบางคนนี่สงสัยว่าคําสอนทําให้พ้นทุกข์ได้หรืออีกพวกหนึ่งสงสัยว่าเอ๊ะฉันจะปฏิบัติเอาตัวรอดหรือเปล่าเนี่ยนะเขามี พระรูปหนึ่งนั่นนะท่านก็มาบอกว่าตอนนั้นท่านอายุสามสิบเหมือนกันแต่เรื่องนี้เกิดเมื่อสักหกเจ็ดปีที่แล้วก็บอกว่านี่มันทางสองแพร่งของผมเลยนะว่างั้นบอกผมจะเลือกเอาทางไหนก็ว่าผมนี่ครึ่งแล้วว่าจะเลือกเส้นทางไหนในที่สุดก็ไม่ใช่เลือกทางพระด <c oughs> ังนก็เรียกว่าเข้าวิจีกริชาก็ทางสองแพร่งอนะไหนไหน ก็ไปทำงานจะทํมากคำว่าทางซ้ายเนี่ยนะเป็นชื่ออันเป็นชื่อมักอันผิดประกอบด้วยองค์ดเนี่ยนะก็คือมิจฉามักแปดนะมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตามิจฉาอาชีวามิจฉาวายามามิจฉาสติมิจฉาสมาธินติดสเมตยสูตรเขาบอกว่าเหมือนเกวียนที่หมุนไปทางทางผิดนะว่าเกวียนที่หมุนไป ไปทําให้ตกเหวอันนี้เหวที่ท่านกลัวที่สุดตามคําสอนคือเหวคือชาติชราพยาที่มรณะเป็นต้นนะเหวคือการเกิดในภพใหม่เรื่อยนั่นแหละคําว่าทางขวานี่ แ, ลแหมมะไไมมะและเป็นชื่อแห่งอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นคําว่าราวป่าอันทึบนี่แหละเป็นชื่อแห่งอวิชชาเนี่ยนะพอเดินไปเนี่ยมันมุดทึบหมดเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าถ้าเดินๆเนนะี่ยอยู่งาเงๆว่างๆเลยนะเราคิดถึงธรรมะอะไรบ้าง <c oughs> อันนั้นมันมึดไปหมดเลยนะมันนึกอะไรไม่ออกเลยนะมันครึมไปหมดเลยนะอันนั้นแหละคื อ, อวิชาล้วนๆที่ที่นึกอย่างอื่นไม่ได้เคยไหมนั่งแล้วมันตื้อไปหมดเลยนะยืนก็นตื้อเดินก็นตื้อนั่งก็ตื้อนอนก็นตื้อทำอะไรซึมซึมงงงไปหมดเลยนะอันนั้นแหละวิชาบริสุทธิ์เลยไม่มีวิชาแทรกแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะมืดมิดบาปล้วนๆเลยนะ <c oughs> นั้นอวิชานี่หน้าน่าเอามาเจริญนะ้ การการเจริญอวิชชาเนี่ยถามว่าเจริญยังไงก็คือเจริญในลักษณะกรุณาบอกว่ามีสัตว์ไหนบ้างอที่ไม่ถูกอวิชชาครอบงําอันนี้เว้เวนพระ อ, อริยเสียเนี่ยนะใครม้่งที่ไม่ถูกอวิชชาครอบงํอาอวิชชานี้ไม่รู้อะไรแล้วก็ลองนึกๆไม่รู้อริยสัตว์นะคือทุกสมุทัยนิโรธมักอ๋อนะเราอย่างสัตว์ที่เรารู้จักคุ้นเคยปกติเลยนะคนทั่วๆไป เขารู้ไ้มวันนี้ทุกนี้ทุกขสมูทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธาคาขามินีปฏิปทาเขาก็ไม่รู้เหมือนเราซึมๆแบบนี้นี่แหละบางเงี้ยนึ่งแล้วจักขู่จักขู่สมูทัยนะลองไล่ไปเรื่อยๆนะจักขู่จักขู่สมูทัยจักขูนิโรจักขูนิโร ธ, โรธถ้ า, ามินีปฏิปทาโสตะคานาชิวหากายะมโนหรือว่าอุปาทานขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะลองไล่ไปเนี่ยจะไม่มีเลยกล่าวว่าจะไม่มีความรู้ในอริยสัจอย่างนั้น นะก็คือมีแต่อวิชารุ่นๆที่เป็นไปนะมันอวิชานี่เขาบอกว่าเหมือนกับราวป่าอันทึบนี่แลคนที่เคยเดินตานี่จะรู้ดีนะไม่เชื่อก็ถามผู้การตอนที่ไปฝึกดูนั่นแหละมันมืดนะนะสักกี่ทุ่มกี่ผู้การนะจะเดินมาเกือบทุกยี่ิบสี่ชั่วโมง้มั้งนะนะนะราวป่านะนะนะเข้าไปในราวป่านะนะ่ะไม่รู้จะตกเหวด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะนะ บางทีปล่อยให้เดินราวป่าแล้วขึ้นเขาด้วยไงนะขึ้นเขาลงเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปตกเขาตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะคำว่าที่ลุ่มใหญ่มีเปลือกตมนี่แหละเป็นชื่อแห่งกามเนี่ยนะแปลว่าพอผ่านพ้นป่าทึบอันนั้นเอาไปตกโคลนตมซะอีกเนี่ยนะอธิบายว่าบทว่ากามาณเตตังอธิวัจจะนังความว่าเมื่อบุคคลมองดูสะน้อยที่ลาดลุ่ม มีแต่เอ่มีแตเพียงหน้าดูหน้าเรื่นรมเนี่ยนะคือเห็นแต่ไกลเนี่ยน้ํามันเย็นสบายดูใสสะอาดเลยนะใครเคยเห็นไอ้น้ำข้างบนนี่ยน้นํามันไม่เยอะหรอกมันใสแต่ว่าไอ้ข้างล่างจริงๆอ่ะมันโคลนตมจมมิดเลยงั้นฮนะว่าตอนแรกพอมองเห็นอู้น้ําใสดีแท้เหมือนนแต่ถ้าบุคคลใดลงไปในสระน้อยที่ลาดลุ่มนี้สระนั้นก็จะฉุดลากผู้นั้นให้ถึงความพินาศนะ ใครเคยวิทบอ์นี่จะรู้ดีนะพอเดินเข้าไปลื่นปั๊บนั้นลงพลุบไปเลยนะแล้วก่อนวิดบอประจําเนี่ยนะโอ้ปลาตายบานเนยเดดูนี่แหละ <c oughs> ทีนี้ไอตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสระน้อยนะั้นมีปลาดุกชุมด้วยนะปลาอย่างอื่นก็ยังช่นยนะปลาดุกมันมีมีเขาอยู่สองข้างไงขวิดซ้ายก็โดนขวิดขวาก็เจ็บอะ ในการมะคุณห้าก็ฉะนั้นเหมือนกันคือทวารทั้งหลายมีจักสุทวารเป็นต้นมีแต่เพียงความน่ารื่นรมในเพราะเห็นอารมณ์เป็นต้น น, นะคือทวารตาก็ดูน่ารื่นรมทวารหูจมูกเล่นกายใจนะตอนเห็นก็น่ารื่นรมได้ยินก็น่ารื่นรมแต่ถ้าบุคคลใดติดใจในการมะคุณห้านี้มันก็จะลากจูงบุคคลนั้นให้ไปสู่ทุคติภูมิเ น, นะ นรกเปรตอสูรกายและสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเวลาเห็นเดรัจฉานภูมิเป็นต้นนะเห็นสุนัขเห็นหมูหมากากายเห็นอะไรก็ช่างนี่คือผลของการติดคโคลนตมคือการ ม, มาคุณห้างกันเพราะว่ากามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามเหล่านี้มีโทษยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะว่าโทษอย่างที่ว่ามีอะไรบ้างปองก็บอกว่า เหมือนร่างกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะมีใครกินอิ่มมั้งกันเพราะนั้นคำว่าล้มใหญ่หรือเปื่อยโตมันเป็นชื่อแห่งกวามทั้งหลายนะข้ามยากมากคําว่าน้องเบิงนี่แหละเป็นชื่อแห่งความกโกรธและความคับแค้นทําไมจึงเรียกว่าน้องเบิงอะนะคลื่นมันเยอะนะจิตก็เหมือนกันนะเดี๋ยวคลื่นคือโทสะมันก็เกิดกระทบเรื่อยกระทบเรื่อยกระทบเรื่อยเพราะฉะนั้นไ อ, ไอ้น้องเบิงเนี่ยที่คลื่นมันเยอะๆคือความกโกรธและความคับแค้น คำว่าภูมิภาคอันราบเรื่อนนี่แหลเป็นชื่อแห่งนิพพานเธอจงยินดีเถิดติดสะจงยินดีเถิดติดสะตามโอวาทของเราตามความอนุเคราะห์ของเราตามความพร่ำสอนของเราเนี่ยนะก็บอกให้ยินดีปฏิบัติตามคําสอนไปเถอะเนี่ยนะแล้วก็พระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระติดสะก็ปลื้มใจชื่นชมพระพาสิทธิพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นนี้แหละท่านปฏิบัติอยู่ไม่นานก็บรรลุเป็นพระรารหันเนี่ยนะ ปฏิบบเขาบอกอกถาบอกว่าภาคเพียรพยายามอยู่ไม่กี่วันก็เป็นผ่ารหัส น, นะภาคเพียนที่ว่าเนี่ยภาคเพียนไปทําอะไรทวนอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งผู้ที่ติดในขันห้าไอความติดในขันห้าก่อให้เกิดโสกาปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตผู้ที่ไม่ติดข้องในขันห้าไม่ก่อให้เกิดโสกาปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตถามว่าจะละความติดในขันห้าได้ยังไง ทัวร์ครั้งหนึ่งถ้าติดในขันห้าติดว่ายังไงติดว่าขันห้าเที่ยงติดว่าขันห้าสุขคิดว่าขันห้าเป็นอัตตาเนี่ยนะแต่ว่าอย่างผู้ที่ใข้ครวนมากๆจะติดในฐานะว่าเป็นสุขเนี่ยนะว่าขันห้าเหล่านั้นก่อให้เกิดความสุขและจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมก็ถามดูว่าขันห้านั่งกระรูปเป็นต้นเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะแต่ถ้าบอกรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่ชัดนะลงลึกไปเลยก็ได้ ปัทวีทาธาตเที่ยงหรือไม่เที่ยงอาโปโตเตโชวายโยเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่ขนาดนั้นก็ยังไม่ไหวอีกนะลงไปอีกก็ผมเที่ยงหรือไม่เที่ยงเล็บฟันหนังไล่ไปเรื่อยอย่างนี้นะจนถึงโดยที่สุดแม้แต่ลมหายใจเข้าออกเที่ยงหรือไม่เที่ยงพอขึ้นลมหายใจเข้าออกก็พิจารณาลมอ่ะนะก็ไล่ามาเป็นอิรยาบทสเนี่ยนะสัมปชัญญะเจอาการ32สบองธาตุสี่ แล้วก็เปรียบเทีย บ, รย บ, ยบสรีระภายในภายนอกไข ค, ครวนให้มันทุกแง่มุมให้หมดเลยนะนั้นก็นั่นแหละเป็นสมณธรรมนะใครประพฤติได้ก็เ้าเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์นั่นนะแต่ว่าตอนนั่งฟังอย่างนี้แห ม, ม น, น่าจะทำไม่ยากเลยอาจารยนิดๆนะว่างนะั้นไหมตอนฟังแหมสบายมากะนะอาจารย์เอพระรูแห่งท่านบอกนะอู้ตอนผมอ่านนะอาจารย์ว่า มันเหมือนเขา่อกมันจะบรรลุให้ได้แต่ผมลองไปทาตามมันนะมันไม่ไปเลยก็ว่าไม่ได้เรื่องเนีกยมีก็เล่านะก็เอิมก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> แหละอ่านอานาปารสติเนี่ยนะโอ้ยเข้าใจทราบซึ้งมากจะไปกำหนดลมได้ไม่กี่ทีนะไปที่ไหนก็ไม่รู้